ชาวนึงของปูดดุลท่านกลับจากกิจนิมนต์พอถึงวัดท่านก็เอ็นกายทักผ่อนก็มีเนเนมาช่วยนวดเ้นก็มีเจ้าคุณท่านหนึ่งก็คงจะมาเยี่ยมท่านานะ มาเยี่ยมแล้วก็ได้พูดคุยสนท น, นากันสบายๆหลวงปู่ท่านก็เองนกายไปก็คุยไปด้วยมีช่วงหนึ่งเจ้าขุนท่านนั้นก็ถามว่าพูดถึงเรื่องของคนคนหนึ่งซึ่งอเก่งเรื่องคาถาอาคมแล้วก็บอกว่าเนี่ยชาติ่แล้วเนี่ย เคยเป็นยักษ์นี่ก็คงจะถามความเห็นหลวงปู่เนพอท่านได้ยินท่านก็ลุกขึ้นนั่งเลยแล้วก็พูดว่าเรื่องแบบนี้ผมค้อยสนใจแต่ท่านเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมหรือรู้เรื่องนี้ั้ย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 เมื่อหูดินเสียงก็รูบว่าเพราะไม่เพราะก็หยุดอยู่แค่นั้นเมือ่อจมูกได้กลิ่นรู้ว่าหอมหรือเหม็นก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเมื่อลิ้นได้รับรสรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยเค็มเปรี้ยวเผ็ดก็หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเมื่อกายสัมผัสกับ อารมณ์ไม่มีกายสัมผัสรู้ว่าแข็งอ่อนนุม่มก็อยู่ที่เพียงแค่นั้นนะท่านก็อธิบายต่อไปว่าเนี่ยถ้าหากว่ามาถึงขั้นนี้เนี่ยจิตมันก็ยิ้มเองนะไม่มีเท่าท่านท่ว่าไม่มีสาเหตุไม่มีที่มาที่ไปมันยิ้มขึ้นมาเองนั่นคงหมายถึงภาวะที่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 ไม่ว่าจะมาไม่่จะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายรู้เลยหยุดหยดเพียงแค่นั้นไม่ปรุงไม่แต่งไม่ไปปริยาจิตมันทำงานต่อเนื่องไปมันก็ไม่ทุกข์หรือว่าถ้าพูดให้ให้ใกล้เคียงกับที่เราคุ้นเคยรือพอตากรทุรู้แล้วก็มีนะ มีสติรู้เต็มที่แล้วก็มีความรู้ตัวพร้อมมันก็ไม่เกิดทุกข์กับความคิดหรือทรมารมก็เหมือนกันนะทรมารมนี่ท่านกอธิบารวะเนี่ยมันจะบางครั้งจะหยุดคิดหยุดนึกก็ไม่ได้เนี่ยจิตมันก็หนาหน้าทีนี้แล้วคือคิดนึกแต่ว่าพอคิดนึกไปก็ให้รู้ทันเนี่ย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 เพราะว่าไม่ไม่รับรู้อะไรมันก็ไม่ได้จรยงไหมก็ ค, คือว่าเมื่อรับรู้แล้วเนี่ยมันก็ก็รู้นะสักแต่ว่ารู้นะไม่ปรุงต่อแล้วก็รู้นะว่าหอมหวานมันเค็มรู้ว่าสวยไม่สวยเนี่ยอันนี้เป็นการรู้นะใน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 ปรุงแต่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมขยายความที่เพื่อเชื่อว่าท่านเน้นหนึ่งหลักการปฏิบัตินะที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการรู้ทันเนะี่ยการรู้ทันนี่ก็มีสตนะิมีสติเพราะสติทร้าที่ช่วยให้รู้ทันในใน ในอารมณ์นะที่มากระทบอันนี้เมื่อตายรูปแล้วมีสติเต็มที่มีความรู้ตัวพร้อมเนี่ยพอไม่เกิดทุกข์แล้วเนี่ยก็เลยว่าถ้าวัานไนมองอะไรก็เป็นอิสระนะไอ้รูปที่เห็นนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะมีอิทธิพลนะ ต่อเราได้ความคิดนึกก็เหมือนกันนะพอรู้ทันมาแล้วมันก็มันก็อยู่แค่นั้นแหละไม่สามารถจะมีอิทธิพลต่อไปได้อันนี้ถ้าอธิบายไม่ทำให้นึกถึงที่เมื่อพุทธเจ้ากลายกับท่านพายิยะนะท่านพายิญยานี่ท่านเป็น จะเรียกว่าเป็นนักพรตนะที่ประเภทพวกฤาษีชีพไพร์นะที่เคยเชื่อตัวเนี่ยเป็นอรหันต์ทีแรกก็ไม่เชื่อนะเพียงว่าประพฤติปฏิบัติตั ว, ตวแล้วคนก็นึกว่าเป็นพระอรหรันต์เขา่านับถือยกย่องพอชาวบ้านพูดไปพูดไปตัวก็คล้อยตามตรวทั้งเพื่อนเนี่ยซึ่งเป็นเป็นเทวดาเพื่อนในชาติ ก่อนนะมามาบอกว่าท่านนะ้นไม่ใช่อรหันนะอรหันที่แท้จริงอยู่ที่สาวัสถีท่านภัยยก็ดีนะเป็นผู้ที่จิตใจมุ่งมั่นนะที่จะพ้นทุกข์พอร่วมมีพระอรหันต์ที่แท้ท่านก็ตรงไปเลยนะเดินเนละ เดินเป็นร้อยร้อ ย, อยโยชน์นะก็หลายร้อยกิโลนะตามที่ตามเรื่องที่เขาบันทึกเอาไว้ไม่ได้หยุดเลยนะจนถ้าไปถึงสาวัตถีตอนเช้าพระเจ้ากำลังกาลังบินธบะพญานิไฟแรงมากอยากจะรู้ธรรมก็ทูลให้พูะเจ้าได้แสดงธรรม พระองค์ก็ปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เวลาไม่ใช่ไม่ใช่เวลาและโอกาสเนะี่ยอยู่กลางถนนเนี่ยพญาก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าพระองค์หรือว่าขบจานนี่จะจะตายเมื่อไหร่นะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสแล้วก็อยากจะได้ยินเดี๋ยวนี้เล ย, เยพระองค์ก็ปฏิเสธถึงสามครั้ง แต่หลังจากที่พระองค์ควรเห็นว่าเออภัยยะตอนนี้เนียหายเหนื่อยแล้วแล้วก็ใจนี้ก็ค่อยๆสงบลงแล้วไอ ต, ตอนที่อยากจะรู้ธรรมนี่ถ้ารู้แบบแบบนี้แบบอยากจะรู้มากๆนี่มันจิตมันไม่ไม่พร้อมนะมันไม่เอื้อต่อการฟังธรรมเท่าไรมีหลายกรณีที่พระเจา้าท่านจะ มันจะไม่แสดงธรรมทันทีนะจะรอจังหวะเช่นทน า, ายที่เดือยวเพราะคนที่อยากจะรู้มากๆนี่พวกก็จะจะประวิงเวลาไว้ก่อนจนพอเก็เย็นแล้วเออก็ค่อยแสดงธรรมกับท่านพายะก็เหมือนกันนะพอพุทธายปฏิเสธสามครั้งแล้วพายะอย่างดีกรานวกก็แสดงธรรมด้ียว่าเนี่ย เมื่อตาเห็นรูปนะก็สักตะวะเห็นนะเมื่อหูได้ยินก็สักตะวะได้ยินนะเมื่อจมูกได้กลิ่นก็สักตะวะได้กลิ่นเมื่อรู้แจ้งในอารมณ์ก็สักตะวะรู้แจ้งในอารมณ์วิชาไม่ตัดทั้งหกเลยนะตัดแค่สี่นะสักตะวะรู้นะเมื่อ เมื่อนั้นเนี่ยตัวเธอนะจะไม่มีทั้งในโลกนี้โลกหน้าและลงโลกทั้งสองนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็คือนิพพานนั่นเองท่านพญาฟังพิจารณาตามก็บรรู้ธรรมเลยเป็นพระอรหรันต์เ่ยเร็วมากคือจะตัดก็ไม่ยาวเลยก็ได้ชื่อว่าเป็นเอตทัคคะด้านที่ตัดสรูธรรมเร็ว คือวิจาร์ไม่แสดงอนุอนอนปุพิกถาหรือว่าไม่ไมแสดงธรรมที่ยาวอย่างอนัตตลกณัสูตรนอนัตตลกนัสูตรนี่ยาวจี๋นะหรือว่าธรรมจักก็เหมืนอนก็ยาวนะวนพระอยัญญาพระโกธัญญาฟังนะ ธรรมจักรวัฒนาสูตรเนี่ถ้าหนึ่จะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบานันในฟองอนัตตลกนาสูตรนี้ได้บรรลุธรรมเป็นพระรหันดาทีเดียวแต่ว่าที่ยิญญาณกับพระภิกนิ่สั้นท่านแม่ก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระรหั น, าา น, น, นธนาานนน์แล้วก็ก็เลยจะจะไปบวช แต่ไม่มีข้าวของไม่มีอะไรเลยก็รีบไปหามาระหว่างที่เดินออไปไม่กี่คงจะไม่กี่นาทีนั่นแหละก็โดนวดัวขิดตายตอนนี้ก็มันก็ล้อมันก็พ้องกับที่ท่านบอกบอกว่าเนี่ยอยากจะรู้ทันเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองหรือพร้เจ้านี่จะจะตายเมื่อไหร่ ทนพอรู้ทาปั๊บเดียกก็ก็เมียนเป็นไปทันทีแต่แต่ว่าเนี่ยที่พระเจ้าตรัสกับท่านภรยยะนี่ก็เหมือนกับที่หลวงปู่ท่านท่นพูดะนะนะเมื่อตากระทบรูปเนี่ยรู้ว่าสวยไม่สวยก็แค่มันดุดแค่นั้นไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยนะรู้ เ้าก็รู้ตามบรรจักรของโลกรู้ตามสมมุติว่าเออเนี่ยโลกเรียกว่าสวยโลกเรียกว่าไม่สวยอย่างนี้โลกเรียกว่าหอมนี้เราไม่หอมมันก็รู้แต่ว่าใจมันไม่ได้คล้อยตามนีบอกเนี่ยเมื่อเมื่อรับรู้ในอารมณ์ใดเนี่ยจิตก็ไม่ไปไม่ไปวิวาทต่อสู้หรือไม่เอออวย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 พิจิตรก็ทําหน้าที่รู้นะทําหน้าที่ทําให้รู้อารมณ์แต่ว่ามันไม่ทํางานต่ออย่างที่ส่วนมัชชครูเนี่ยพุทธภาสิทธิ์เนี่ ย, ยจิตของเราถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปอะไรก็ปรุงแต่งให้ยินดีๆร้าไม่ได้และที่จียงคือจิตนั้นเองก็ไม่ปรุงแต่งด้วยไม่ปรุงแต่งเป็นชอบไม่ปรุงแต่งเป็นชังไม่ปรุงแต่งเป็น ยินดียินไลนะ่จิตของเราถึงแล้วเึงสภ า, าที่อะปรุงแต่งไม่ได้ต่อไปรูปรถกิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ก็ปรุงแต่งไม่ได้อันนี้ก็อย่างที่หลวงปู่ดูว่าเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะมีมิธิพลเหนือจิตใจได้การมองการได้ยินการสัมผัสการรับรู้ก็เป็นไปอย่างอิสระนะ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 ไอ้เซนพูดยิ่ก็มันก็ศักแต่ว่าไอ้ที่ว่าสวยว่างามนี่มันก็มันเป็นแค่สมมติเท่านั้นแหละไอ้ที่ว่าอร่อยแม่เราก็เป็นสมมตินะเพราะว่ามีปัญญาเข้าใจองปรามัดนะก็ไม่ได้เห็นว่าไอ้ทิ่งสิ่งที่สวยนั่นเป็นเรื่องที่น่าน่าได้น่าเอา ไอ้สิ่งที่เหม็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าผักใสมันเป็นแค่สมมุตินะอันนี้เรากาเห็นด้วยปัญญาคือเข้าถึงเรื่องปรมาภิมันก็ไม่เกิดความพอใจไม่พอใจอยากได้ไม่อยากได้หรือว่าที่สัานใช้คาว่ามันมิว่าโตยแยง้งหรือว่าเออ อ, อเอออวเห็นดีงาม้วยมันก็ไม่นะ ก็เห็นทุกอย่างก็มีสักจะเป็นค่าเสมอกันคือเห็นถึงค้าว่ามันมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเมื่อใด้บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเหนยนานในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางพระนิพพานเป็นธรหมดจดเมื่อได้บุคคลเห็นด้วยปัญญาคือเห็นมันมีสองอย่างเห็นด้วยสตินะ หรือว่ารู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญามันก็รู้คนละแบบนะแต่มันก็รู้เหมือนกันเขามารู้ในวพุทธศาสนามันก็รู้ในในหลายระดับนะเช่นถ้ารู้ในอารมณ์ก็เรียกว่าวิญญาณะวิญญาณก็เรียกว่าธรรมะที่รู้แจ้งอารมณ์รู้รู้อารมณ์ตากระทบรูปหููรินเสียงแล้ววิญญาณไปรับรู้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 เี่เาเรามองเนี่ยไปที่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีสิ่งต่างๆเป็นร้อยเป็นพันเข้าสู่เข้าสู่อะไรนะเรื่องมากระทบนะมากระทบจอเรติน่าแต่ว่ามีแค่หกอย่างเท่านั้นนะที่เราจะเห็นหรือว่ารับรู้ได้ในแต่ละขณะแต่ละขณะ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 เช่นถ้าเรามองพื้นเนี่ยก็จะเห็นอาจจะเห็นสีเห็นตะปูแต่ไม่เห็นรายละเอียดจนกว่าเราจะมองละเอียดจริงๆก็จะเห็นรอยขีดข่วนจะเห็นเห็นขีดตุกแกต้องจดจอถึงจะเห็นขีดตุกแกบหรือจะเห็นรอยตะปูบ้างแต่ถ้ามองผ่านๆก็จะไม่เห็นอะไรเลย ก็จะเห็นแค่พื้นกระดานแล้วก็สีแล้วก็คนเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่มันสิ่งที่มากระทบทางตาเนี่ยรูปที่กระทบตาเนี่ยมันมีเยอะแยะหมดในแต่ละขณะดแต่ละคณะแต่ว่าวิญญาณคือการรับรู้จะเกิดขึ้นได้แต่การรับรู้เนี่ยมันก็จะรู้เพียงแค่ไม่กี่อย่าง เท่านั้นแหละเช่นเดียกเสียงเนี่ยเสียงที่เข้ามากระทบหูแล้วนี่มีเยอะแต่เราจะรับรู้เสียงได้ก็ไม่กี่เสียงเป็นแต่อาใส่ใจจริงๆก็จะได้ยินเสียงอื่นที่น อ, อยจากเสียงคนเสียงจริงร้งหรีอันนี้ก า, ารู้อารมณ์นะการรู้อารมณ์เนี่ยอันนี้เป็ น, นานเป็นงานของวิญญาณ เราก็รู้ทันความคิดนึกนะอันนี้ก็เป็นงานสติรวมทั้งระลึกรู้ระลึกได้ในเรื่องในสิ่งที่เก็บไว้ในความทรงจาอันนี้ก็เป็นเรื่องสติซึ่งเราใช้ตลอดเวลาเช่นพอพอบรรยายจบพอทาวัดจบอ่ะนะเราก็ ก็รู้หรือจำได้ว่าเข้ามาทางไหนแล้วจะออกไปทางไห น, นแล้วก็จะไปเอาบาตรวางไว้ตรงไหนก็จำได้อันนี้เป็นงานสติต้องท้าวาว้ตรงไหนก็รู้อันนี้ก็เป็นงานของสติก็เป็นการจำได้หรือเป็นการรู้รแบบนี้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 นี่มันอะไรที่ไหนหรืออย่างที่นังเรื่องสตีลอลิสเนี่ยคนที่เป็นอัลไซเมอร์ทํางานที่หมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเป็นอาจารย์แต่วันหนึ่งวิ่งจ็อกกิ้งไปไปที่หมหาวิทยาลัยพอไปถึงหน้าหมหาวิทยาลัยจำไม่ได้มันที่ไหนวะเนี่ยทั้งที่ไปทํางานทุกวันแต่ตอนนั้นสัญญามันเสียไปแล้ว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 เป็นแนวเลยนะแต่ไม่รู้มันอะไรถามเพื่อนถามถามเพื่อรงงามอะไรเพื่อลงวันนี้งงเลยนะทำไมถามอย่างนั้นเพราะไอ้ น, นี่มันกุหลาบกุหลาบกุหลาบนี่มันเป็นไม้ธรรมดาแต่เจ้าตัวนี้ไม่รู้มันคือกุหลาบเพราะว่าสัญญามันเสียไปแลนะ้ว แต่เป็นพักๆนะเพราะมันเป็นจุดเป็นระยะแรกเรื่องของอัลไซเมอร์พอเขารู้เขาก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวที่จะรับมือกอัลไซเมอร์พอเป็นหนัหนกๆเข้าเห็นลูกจําไม่ได้ว่า น, นี่คือลูกเนะี่ยทักทายเมื่อคนแปกหน้า น, นี่ก็เป็นเรื่องสัญญาเนี่ยเขาว่ารู้วเป็นเรื่องสัญญา รู้ด้วยปัญญานี่ก็ชัดอยู่แล้วนะมันเห็นทะลุไปนะจนหนึงว่าเออรู้ว่าสีนัองปูเป็นอนัตตาทำน้องปูเป็นอนัตตาจริงเวทนาก็เป็นความรู้แบบหนึ่งนะรู้นงะใช้แต่มันเป็นความรู้สึกเนะี่ะไอความรู้สึกก็เป็นความรู้แบบหนึง่งนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่พอ รู้สึกแล้วมก็เช่นพอรู้เวทนาแก็ปรุงต่อไปถ้าถ้าปวดก็ไม่ชอบนะถ้าสบายก็ชอบนะแต่ว่าการรู้ที่สาคัญการรู้แล้วมันไม่ปรุงแต่งนะซึ่งอันนี้ไนอะ้วิธีการที่จะสร้างสติทำความรู้ตัวหรือว่าเกิดปัญญานี่ วิธีการพุทธเจ้าก็วางไว้อยู่แล้วนะแต่ว่าพอลงปปฏิบัตินี่นะมันเป็นเรื่องของแต่ละคนละหลวงปู่ดุลนั่นก็พูดดีนะัท่านบอกว่าเวลามีคนมาแนะนำมาปรึกษาท่านไม่มาแนะนำมาปรึกษามาถามท่านว่ามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยปัญหาเรื่องนิ้อดปัญหาเรื่องสมาธิท่านก็จะบอกว่าเนี่ย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 แต่ท่านจะไม่ได้บอกว่าเนี่ยคุณควรทําอย่างงี้นะโดยเอาประสบการณ์ตัวเองเโดยประสบวังท่านแต่ท่านบอกเอาไปพิจารณาเพื่อหาทางแก้ของตัวเองทางไทรก็ทางมันอันนี้น่าน่าสนใจมากมันก็มาก็คือว่าปัญหาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นทางแก้ก็แตกต่างกันไปด้วยเจ้า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 แต่แลคนก็ต้องหาวิธีการของตัวเองแต่ก็อาศัยคำแนะนำค ร, าารูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์ก็ดีปู่เจ้าก็ดีท่านแก้ปัญหา ย, ย่างไรแต่ถ้าจิตเอาตามตำราเป๊ะนี่มันก็ก็ไม่ได้นะเดี๋วว่าจะยึดเอาวิธีการของครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วก็เดินแล้วก็เรียนแบบตะพุก แต่พึ่ตะพื้นก็ไม่ได้ฉันนี้นี่เคยผลที่ว่าเนี่ยหลวงปู่ดูนท่านเวลาจะเวลาจะตอบคาถามท้อนก็จะท่านก็ยังไม่ได้ยมจะไม่ได้ฝันท ง, งว่าท่านควรทาอย่างนี้อแต่ท่านจะบอกเนี่ยผมเนี่ยมีปัญผมทําอย่างนี้มามีปัญหาที่ผมทํานี้มาผมแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ท่านก็ลองไปพิจารณาเืคยได้พบวิธีการของตัวเอง อันนี้ก็เป็นไปได้ เ, เป็นความถ่อมตนของท่านก็ได้นะที่คิดว่าที่มองว่าพิธีการท่านอาจจะไม่เหมาะว่าวิธีการของคนอื่นก็ได้ถึงแต่ในการกระแสท่านก็มีปัญญามากที่รู้ที่รู้ว่าแต่ละคนก็ก็มีปัญหาแต่แต่ละคนแต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันแล้วก็ความคุ้นเค ย, รยหรือว่าวิธีการก็น่าจะแตกต่างกันไปด้วย นั่นาก็ควารจริงที่การเส้นทางแต่ละคนนะเส้นทางในการพ้นทูเนี่มันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะอาเคต้องหาเส้นทางที่เหมาะกับตัวเองนะจริงถ้าว่าดไปมันก็เหมือนกับสไตล์นะสไตล์การวาดรูปสไตล์การเขียนสไตล์การทํางานก็มีของแต่ละคนก็มีของตัวเอง จะทำให้สําเร็จได้ไม่ใช่ว่าจะมีวิธีการเดียวก็มีหลายวิธีการแม้ว่าจะมีตํารามีคำภีร์มากมายแต่ละคนก็ต้อ ง, องครู้จักไข้ควรได้ตัวเองก็คือต้องใช้ปัญญาแล้วก็เอาวิธีการมาแก้ปัญหาได้ตัวเองให้เหมาะกับตัวเองไม่แต่ง่ายแค่การแก้ ง, ง่วงอะวิธีแก้ ง, ง่วง แต่เราคนก็มีวิธีไม่เหมือนกันบางคนก็จะใช้วิธีเปลี่ยนอิเดียบทบางคนก็ใช้วิธีเอ่อเอาน้ํารูปหน้าเนี่ยแต่ผมนี่ก็ชอบเนี่ยน้ำรูปหน้างวงาลูบไปเลยใช้น้ําเนี่ยช่วยได้แต่บางคนก็อาจจะใช้วิธีเปลี่ยนสถานที่เนะี่ยหรือว่าพยายามทํารให้มันแรงขึ้นหนักขึ้นแต่เราคนก็มีวิธีกลางตัวเอง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 ปูบาจา่ายเลยบอกทำไมไม่ทำมังโมยไม่ทำอย่างนี้หลวงพ่ะชาเนี่เคยสงสัยนะหลวงปู่กินดรีท่านทำไมท่านไม่เดินตรงกลมทำไมท่านไม่ทำอย่างนันอย่างนี้ท่านเอาแต่ทำงานเดินยจงกลมได้สักพักเดี๋ยวก็ให้ไปปะชุนจีวรนลนะเดี๋ยวก็ไปทำโ น, น่ทนทำนี้ให้เรานี่เดินตรงกลมทั้งวันเลยขนาดเดินทั้งวันยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่รู้อะไรเแล้วหลวงปู่ท่านจะรู้ได้ยังไง แต่บอกว่าอยู่ไปอยู่ไปหลวงปู่ท่านรู้มากกว่าเราอีกนะให้เรานี่รู้นิดเดียวไปหลงปรามาสท่านแต่นั่นก็ก็ปลักไปแปว่าท่านอยู่เหนือท่านปฏิบัติจนจนอยู่ตัวแล้วนะจะทําอะไรก็เป็นการปฏิบัติเป็นหมดแต่ว่าสาหรับผู้ฝึกใหมั่นก็ต้องมีรูปแบบอันนี้ก็ก็ต้องก็ต้องมองที่ตัวเองด้วยไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าอาจารย์ทำอย่างไรเราก็จะทำอย่างอาจารย์บ้างหรือว่าเราทำอย่างไรอาจารย์ควรทำอย่างนั้นบ้างหรือว่าเพื่อนคนอืึ่งทำอย่างนั้นบ้างมันก็ต่างคนต่างก็มีวิธีการที่เหมาะของตัวเองแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบใหญ่นะก็ อ, อยู่ในกรอบนะศีลสมาธิปัญญาหรือว่าอริยมรรคองแปด